ไม่สบายเราแยกไม่ออกชัดเจนว่าตอนไหนเราหิวตอนไหนเราอยากตรงนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากนะซึ่งในตัวของเราในมีอวัยวะสองส่วนที่มีภาาัยสระรุนแรงคือลิ้นกับอวาัยวะเพศซึ่งมีความ อ, อยากที่รุนแรงเช่นเราความหิวต้องการอาหารกับการไปถ่าย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 มันถทยไปไทยมามันขี้เกียจใช่ไหมเรียกประตักเออเรียกว่าตักกันทางภาคกลางนะแต่ภาคอีสานเขาเรียกประตักหมายถึงมันมันมีมันมีมันมีมอไทยแล้วก็่ไหอตัวล็อกที่จะดึงใช่ตัวที่ถมันออกอ๋อไอตัวนั้นตัวประตักมันนะแต่ตัวนี้เข้าเข้าลึกหรือไม่ลึกยะมันจะอยู่ตัวนั้นไอตัวประตักตัวนี้เนี่ยปั้นขึ้นมาอ๋อครับ อาจารย์เห็นภาพอาจารย์วงภาพไปเห็นภาพชัดเลยนะแต่ตัวปัตตักพักกลาหมถึงไม้ปัตตักที่บังคับบัวควายให้มันไปตามที่นันนะอันนี้มีสองคหมายนะครับพิริเป็นเงื้อไทยใ่เป็นเชือกสติเป็นผานอ๋อผานกับปัตตักมันทางานร่วมกันเนาะเพราะว่าเราจะตั้งเาเรียกว่าตั้งกทางายซ้ายทางเหนือเรื่องหัวหมูนะฮะใช่ไหมหัวหมูมันข้างล่างครับข้างล่างนะเข้าผานใส่านใส่เราปัตตักอะ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 อแม่นี่เขากินมื้อเดียวนะเขากินเฉพาะเขาไม่ทานเช้าชาวเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ไปเห็นเพื่อน mm hmm. ผมรู้สึกหิวไปเห็นเพื่อนกินผมรู้สึกหิวมาถามว่าความหิวนี่เป็นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเ พ, เพราะใจมันไปเห็นเพื่อนถ้าถ้าคุณไ ม, ไม่เห็นเพื่อนทานเนี่ยคุณจะรู้สึกหิวไหเนี่แหละ mm hmm. บางทีความหิวก่ให้เกิดความความอยากก็ให้เกิดความหิวความหิวก็ให้เกิดความอยาก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 เรียกว่าทวนกระแสนี่เป็นการอธิษฐานจิตแบบนี้นะครับแต่เรื่องอธิษฐานว่าจะได้ถาดไปลอยน้ำทิ้ง้นี่ใช่จิตหรือเปล่าถาดคือคุณาททองคำมือคนต้องมีธาตุแท้ครับ<ช>จิตต้องมีธาตุแท้ถึงจะอธิษฐานถึดขาดท่งั้นได้ถ้าคนจิตหล่แหละเลียวไหลเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ววยางงาวอย่างนี้อธิษฐานจิ ต, ตไม่สำเร็จครับจิตตัวนั้นคือถาดทองคำเขาถาดทองคาที่ไหละอะเขาทำไมไม่เอาถาดธรรมดาทาไมต้องถาดทองคา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 ไปโลกุตตะลาอย่างเดียวไปถึงโลกุตตะลแล้วถึงที่แล้วไม่เศร้าโศกนะท่านบอกว่าการทําไร่ทํานาทําสวนใครทําได้อย่างเนี้ยได้อมตะเป็นผลแต่ไม่ไดไ้หมายถึงการทํานาหมายถึงการทําใจนะครับใครพัฒนาความเพนทางจิตได้อย่างเนี้ยก็มีอมตะคือเป็นมรรคผลเป็นแก่นสารก็จะพ้นจากทุกข์ท่องปวงนะครับเพราะฉะนั้นผีชั่งมงคลพระพุทระถาพุทธเกษตรจุดนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ไปท่องให้จําเลยนะ ผมก็เกือบจาได้แล้วแต่ว่าบางบางส่วนก็ยังต้ น, ต, นต้นเนี่ยจะไม่ได้ตรงกลางมานี่จำได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะปลารบประเด็นสาคัญก็คือหนึ่งต้องมีสัจจะสองต้องคุ้มของกายสามท้รู้ประมาณอาหารสี่ต้องมีความเพียร น, นะทักสี่อย่างเนี่ยผมว่าได้เยอะแล้วนะสี่อย่างคุ้มของกายเป็นศีลใช่หครับมิสัจจะเป็นเครื่องแต่งใจเป็นสมาธิ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 และประตะนะแล้วก็มีหินเป็นงอนไถใจเป็นเชือกปัญญาเป็นแอกและคันไถนะวิริยะเป็นหน้าที่การงานการรู้ประมาณในการ <c oughs> อาหารอันมีสาจาัจจะเป็นเครื่องตัดใจช่วยให้สําเร็จประโยชน์ที่ที่เรา <c oughs> ทวนไปมิกี้นะว่าให้มีศรัทธาเป็นพืชมีความเพียรเป็นฝน มีสติเป็นแอกได้ขันถยนะมีหิริเป็นงอนถ่ใจเป็นเชือกปัญญาเป็นผานและปะตักนะนีถ้าหากว่าเราทำลักษณะอย่างนี้แล้วนี่บอกว่าเราจะมีได้ผลคือได้อมาตะเป็นผลทำให้เราเกิดความ อ, า, อามาเข้าถึงความกเกษมนะคนจากทุกจิตถึงความกเกษมคือความสุขความสงบ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 โดยเฉพาะในช่วงการทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะทำกัน อ, อึกกระหรึกนะครับทำไปเจริญสติไปก็จะมีเวทนาให้เราเห็นนะ่ในช่วงที่เราทำงานเงื่อไหลใครย้อยหรือทำอหลายคนคนนั้นทาคนนี้ไม่ทำคนนี้ทำน้อ ย, คน น, นอยคนนี้ทำมากมันก็จะมีความคิดอันนี้ออกมาให้เราเห็นเรื่อยๆอะฉนนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็อสองอย่างผู้ที่ขึ้นไปพัฒนาข้างบนก็จะมีมีดมีจอบ